เรื่องเล่าของแอตแลนตากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชาผู้โงเ่เขลาอยู่คนหนึ่งที่คิดว่ามีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่สามารถปกครองอาณาจักรได้ดังนั้นเมื่อเขาได้ลูกสาวเขาถึงไม่ต้องการเธอและนําทารกน้อยไปปล่อยไว้บ น, นก้อนหินในป่าลึกในตอนแรกทารกน้อยก็เล่นกับต้นไม้ใบใหญ้าอย่างสนุกสนานแต่ไม่นาน เธอก็เริ่มหิวโหวยและร้องไห้ออกมาแม่มีที่อาศัยอยู่ในถ้าไกลๆได้ยินเสียงร้องเธอจึงเข้ามาหาทารกน้อยพร้อมกับลูกของเธออู้ช่างเป็นเด็กน้อยที่น่ารักใครเอาเธอมาทิ้งไว้กันนะน่าสงสารจริงๆแม่ครับเขาเป็นหมีแบบไหนกันน่ะผมไม่เคยเห็นหมีแบบนี้มาก่อนเลยดูอุ้งเท้าเขาสิเขาแปลงมากจริงๆนั่นเพราะว่าเธอเป็นคนยังง่ายล่ะลูกรัก ผมชอบเธอเราเอาเธอไปอยู่ด้วยกันได้ไหมครับแม่โอ้ได้สิลูกแม่จะไม่ทิ้งเธอไว้และปล่อยให้เธอหิวโหวยในป่าคนเดียวอย่างแน่นอนเราจะเรียกเธอว่าอะไรดีครับเราจะเรียกเธอว่าแอตแลนตาดังนั้นแม่หมีจึงพาแอตแลนตากลับไปที่ถ้าของเธอและดูแลเปรียบเสมือนเป็นแม่ของเธอไม่มีสัตว์ตัวไหนในป่าทําร้ายเด็กน้อย เพราะพวกเขาถือว่าเธอเป็นหนึ่งในพวกเขาไม่นานแอตแลนตาก็เติบโตขึ้นเป็นคู่ซี้กับเจ้าหมีและสั ต, ตว์ตอื่นในป่าเธอวิ่งแข่งกับเจ้าชีตาและวิ่งได้เร็วกว่าเธอปีนต้นไม้แข่งกับลิงและปีนได้เร็วกว่าเธอออกล่ากับสิงโตและล่าได้ดีกว่าแอตแลนตาแข็งแกร่งกล้าหาญและชาญฉลาดวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินทางผ่านเข้ามาในป่าโอ้ oh. ฉันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจริงๆด้วยอีไกลไหมเนี้ยโอ้เด็กน้อยเธอมาทําอะไรคนเดียวในป่าแบบนี้เราจะปล่อยเธออยู่แบบนี้ไม่ได้เราองพาเธอกลับไปกับพวกเรามากับพวกเรานะกลับไปหมู่บ้านแล้วก็อยู่กับพวกเราแอเลนตาไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดมากนะักแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นคน ทำให้เธออยากรู้อยากเห็นมากเธอจึงตามพวกเขาไปยังหมู่บ้านของพวกเขามาถูกเมียฉันต้องดีใจแน่ที่ได้พบเธอ<ะ>มาเรียดูสิฉันเจอใครในป่าเด็กผู้หญิงนั้นเหรอเธอไปทำอะไรคนเดียวในป่าคุณเจอเธอได้ยังไงมานี่สิยัยหนู มาเรียและจอรนเลี้ยงดูแอตแลนตาเล่ากับเธอเป็นนางฟ้าและแอตแลนตาก็ได้เรียนรู้สิ่ง ต, งต่างๆมากมายในหมู่บ้าน mm hmm. เธอกลับไปที่ป่าแต่ก็ยังกลับมาที่หมู่บ้านนั่นทำให้เธอมีครอบครัวอยู่สองที่ที่หนึ่งในป่า ก, กับพวกสัตว์ต่างๆและอีกที่ในหมู่บ้านกับจอรนมาเรียและคนอื่นๆหลายปีผ่านไปแอตแลนตาเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งมีพลังกำลังและงดงามมากอย่างที่เธอเป็น ตอนนี้เราหยุดเรื่องแอแลนตาเอาไว้ก่อนและไปยังอาณาจักรแห่งอื่นที่ซึ่งมีราชาผู้ทรงอำนาจปกครองอยู่และเขามีนามว่าราชาโอนยสฟารบอดปีนี้พวกเราเก็บเกี่ยวองุ่นและข้าวสาลีได้มากเลยทีเดียวยุ่งช้างของเรานะ่ะเต็มไปด้วยผลผลิตจากพืชและผลไม้มากมายปีนี้อาณาจักรของเราจะเจริญรุ่งเรืองเป็นหลายร้อยเท่า ทั้งหมดนี้ก็เป็นพ่อะเหล่าเทวดาและพูดของธรรมชาติประทานพรให้เราถึงได้มีความอุดมสมบูรณ์มากปีนี้พวกเราต้องจัดงานฉลองเพื่อเป็นการตอบแทนแด่เหล่าเทวดานางฟ้าและเหล่าพูดให้ทุกคนนําผลผลิตที่ดีที่สุดมามอบให้พวกเขาเพื่อเป็นการตอบแทนและแทนคําขอบคุณโอ้โอ้ท่านพ่อช่งเป็นความคิดที่ดีมากเลยข้าจะช่วยจัดเตรียมงานอย่างดีเลยนะครับ ดังนั้นพลเมืองทั้งหมดในอาณาจักรจึงมารวมตัวกันพร้อมกับเจ้าชายเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ในทุงน่งนาและสวนองุ่นพวกเขาสร้างแท่นบูชาสําหรับนางฟ้าเทวดาและวิญญาณของเซเรสผู้ที่แสดงให้ผู้คนรู้จักวิธีเก็บเกี่ยวอีกแท่นสําหรับแบ็ us, กซัสผู้ที่บอกวิธีการต่างๆในเรื่องขององุ่นอีกแท่นสําหรับ Mercury, วิงฟรุตเมอร์คียรีผู้ที่มาพร้อมกับเหล่ากอนเมกอีกแท่นไว้สําหรับอะเทน่าราชินีแห่งอากาศ และอีกอันสําหรับผู้ที่คอยเก็บรักษาลมพายุอีกอันสําหรับราชาแห่งท้องทะเลและอีกอันสําหรับพวกเขาพวกเขานําองุ่นและเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดของพวกเขาใส่ลงไปในแท่นบูชาแต่ละแท่นสุดท้ายพวกเขาสร้างคบเพลิงขึ้นมาเพื่อจุดเปลวไฟเพราะเชื่อกันว่าเปลวควันที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าจะนําพาคําขอบคุณของพวกเขาขึ้นไป ได้โปรดรับความซาบซึ้งและคำขอบคุณสำหรับพรของพวกท่านไปด้วยเถิดได้เวลาแล้วย yeah! yeah! yeah! ทุกคนในอาณาจักรต่างกลับบ้านไปได้วยความอิ่มเอิบใจเมื่อคิดว่าเหล่านางฟ้าเทวดาและวิญญาณจะดีใจแต่พวกเขาลืมนางฟ้าในอาณาจักรของพวกเขาไปหนึ่งคนเธอคือนางฟ้าไดอาน่าผู้ปกป้องป่าไม้ นั่นทําให้เดอานาะไม่สดอารมณ์เป็นอย่างมากบังอาจดูถูกกันอย่างนั้นเหรอคนพวกนั้นไม่รู้เรื่องไงว่าต้นไม้และผืนป่านําความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้ามาให้กับดินแดนของพวกเขาพวกเขากล้าลบหลู่ป่าไม้และสิ่งมีชีวิตของพวกเราอย่างนั้นเหรอท่านผู้ปกป้องป่งปาที่ยิ่งใหญ่ท่านจะลงโทษพวกเขายังไง พวกเราจะลงโทษพวกเขาให้อย่างสาสมคืนนั้นพลเมืองในอาณาจักรต่างนอนหลับกันอย่างสงบสุขโดยที่ไม่รู้เลยว่าหายนะ ก, กาลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขานมาอะไรกันเนะ้อฉันไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยชาวบ้านทั้งหมดต่างออกมาจากบ้านของพวกเขาพร้อมกับคบไฟและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยอง พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตพวกเขาพยายามไล่มันไปด้วยคบไฟแต่นั่นยิ่งทําให้มันเกลี้ยกล่อมมากยิ่งขึ้นมันวิ่งไปตามทุ่งนาและทําลายพืชผลจนหมดมันฉีกกระชากและทําลายกระสอบอ ง, งุ่นและผลผลิตจนพินาศชาวบ้านกลัวอย่างมากพวกเขาเรีบไปหาราชาฟาบาเจ้าตูวป้านาดนันํลาลังทําลายผลผลิตของเราจนหมดสิ้นแล้วตัวอะไรอย่างนั้นเหรอ มันเหมือนกหมูป่าแต่ว่าไม่ไท่ผลผลิตที่เรมสมบูรณ์ของเราปีนี้เสียหายเป็นอย่างมากเลยนะคาราบถ้าเราไม่หยุดบันต้นนี้พวกเราจะต้องสูญเสียทุกอย่างแน่นอนเลยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนางฟ้าเทวดาและเหล่าวิญ ญ, ญ, ญาณใจดีกับเราเง้อเล่าฟาบาดในงานเฉลิมฉลองต้นที่เราสร้างแทนบูชานางฟ้าเทวดาและเหล่าวิญญาณพวกเราต้องลืมใครไปสักคนแน่ ระชาไล่ตามรายชื่อของลาวินยานนางฟ้าและเทวดาไปเรื่อยๆพวกเราลืมผู้ปกป้องแห่งป่าไปพวกเราหมกมุ่นอยู่แต่กับทุ่งนาและสวนผลไม้จนลืมความสำคัญของผืนป่าต้นไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆไปนี่ครั้งที่สองแล้วไม่แปลกใจเลยทำไมนางถึงลงโทษพวกเราไปจัดการเทศ ก, การยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนรอนนาผู้ปกป้องแห่งป่า ผู้คนในอาณาจักรต่างรวมตัวกันเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ปกป้องป่านางฟ้าเดอานาะแต่เมื่อพวกเขาจุดไฟในพิธีหมูป่าตัวใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นและกระเทอบมันจะสิ้นซากผู้คนต่างวิ่งหนีและกรีดร้องอย่างชจนลมุนแม้แต่ราชาและเจ้าชายต่างก็หวาดกลัวและนางฟ้าเดอานาก็ปรากฏตัวขึ้นข้ายอมรับคำขอโทษจากพวกเจ้าแต่ก็เพราะว่าผลผลิตของพวกเจ้าได้ถูกทำลายไปแล้วล่ะนะ ไปจับหมูป่าของข้าสิถ้าผู้คนของเจ้ายังคงหวาดกลัวและควบคุมมันไม่ได้พวกเขาจะยังไม่เคารพต่อป่าและเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆฉันจะไปจับตัวเจ้านั่นเองไม่ทันพ่อมันอยู่ในความรับผิดชอบของข้าข้าจะไปจับตัวเจ้านั่นเองอย่างนั้นก็ได้แต่ลูกข้าไปคนเดียวนะ ลูกตอกานักล่าและนักรบฝีมือดีไปกับลูกมด้ดังนั้นสารขอความช่วยเหลือจากนักล่าและนักรบฝีมือดีจึงถูกส่งไปทั่วอาณาจากักรแม้กระทั่งอาณาจักรใกล้เคียงเมื่อถึงวันนัดหมายของพวกเขาทั้งหมดเพื่อมาพบกับเจ้าชายเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอที่มูป่าตัวนั้นทนไฟได้และลูกธนูยังเจาะไม่เข้านะ หมูป่าตัวเดียวสามารถทำลายผลผลิตเกือบทั้งหมดในอาณาจักรแห่งนี้ได้อยังไงเนี่ยท่านแทบลอไม่ไหวที่จะจัดการหมูป่าตนนี้ท่านเชื่อเลยทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าเกินจริงแล้วทำไมพระราชาต้องพูดเกินจริงและทำไมต้องเรียกนักล่าและนักรบฝีมือดีจากอาณาจักรอื่นมาด้วยละ่ะนี่ผู้หญิงกำลังพูดเรื่องการล่ากันเหรอนี่แปลกมากเลยบางทีเธอน่าจะหลงทางนะนี่เป็นที่ของนักล่า น, ะนักรบฝีมือดี นั่นแหละฉันถึงมาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะเธอมาหาสามไม่ยังงั้นเรอนี่ไม่ใช่เวลาหรอกนะเอาอย่างนี้เอาไว้มาพบฉันหลังจากฉันล่าหมูป่าเสร็จ <c oughs> แล้วเจอกันในป่านะหรือบางทีนาะยอาจจะกลัวว่าผู้หญิงจะจับหมูป่าที่มีค่าได้ก่อนนายแล้วนายก็คงจะโกรธมากงั้นสินะสวัสดีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณพวกเราจะไม่ยอมช่วยคุณถ้าหากนางตามมาด้วย ใช่แล้วถ้าเธอยังอยู่นี่พวกเราจะไปเองถ้างั้นผมก็ห้าพวกคุณไม่ได้ในกรณีนี้ถ้าหากพวกคุณไม่มีความกล้าในการยอมรับพว่าบางทีผู้หญิงอาจจะมีความสามารถเท่ากับคุณพวกคุณคงไม่มีความกล้าหาญพอจ ะ, ะเผชิญหน้าหมูป่าตัดสินใจเขาเองแล้วกันนะว่าจะอยู่หรือว่าจะไปเหล่านักล่าตัดสินใจจะอยู่และพวกเขาก็ออกเดินทางล่าหมูป่า พวกเขามุ่งหน้าเข้าไปในป่าพวกเราจะไม่ข้ามมันทั้งหมดที่พวกเราจะทําก็คือจับมันเท่านั้นจุ่มลูกธนูของพวกนายลงไปในนี้นี่จะทําให้เจ้าสัตว์นั่นหมดสติลงไปพวกเขาเดินทางเข้าไปในป่าพวกเขาบางคนปีนต้นไม้และบางส่วนแอบอยู่หลังก้อนหินนักล่าคนหนึ่งยิงธนูไปที่สัตว์ตัวนั้นแต่ลูกธนู ออกเป็นสองส่วนหมูป่ากโกรธมากมันตรงไปฉีกต้นไม้ซึ่งนักล่าอีกคนซ่อนตัวอยู่ในขณะที่มันกําลังโจมตีนักล่าคนอื่นอยู่นั้นแอเนเดลตาได้กระโดดลงมาที่หัวของเขาและใช้ปลายห อ, อกแทงมันด้วยความเร็วและแข็งแกร่งเจ้าหมูป่าเริ่มเสียการทรงตัวเจ้าชายได้พุ่งออกมาแล้วยิงธนูไปที่หมูป่าอย่างจังจนมันได้หมดสติไปมันถูกจับไว้ในกรงเหล็กหลังจากที่แอเนเดลตาได้ใช้สมุนไพรรักษามันไม่เป็นไรนะ นายไม่เป็นไรแล้วบางทีนางฟ้าในอนณะาอาจจะดีใจแล้วก็ได้โอ้ใช่แล้วฉันดีใจมากฉันดีใจที่เธอมีเมตตาต่อหมูป่าของฉันและฉันยังดีใจด้วยที่เห็นเจ้าชายเห็นคุณค่าของผู้หญิงคนหนึ่งและไม่ตัดสินว่าเธออ่อนแอแม้เธอจะเป็นผู้หญิงก็ตามข้าขออวยพรให้ข้าตอบแทนทั้งหมดถูกส่งคืนไปยังอาณาจักรของเจ้าขอบคุณมากผู้ปกป้องแห่งป่า พวกเราขอโทษด้วยที่ไม่ได้เคารพต่อท่านตอนนี้พวกเราได้รับบทเรียนแล้วพวกเราจะไม่ลืมความสําคัญของป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกต่อไปแล้วราชามีความสุขมากและพลเมืองของเขาก็กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเขามอบสถานที่พิเศษแด่เอเลนตา้าเพื่อเป็นเกียรติที่ช่วยเหลือดินแดนพวกเขามีการเฉลิมฉลองและเต้นรําตลอดทั้งคืนทายอดเยี่ยมมากเลยนะตอนนั้นะท่านก็เหมือนกัน ก็เพราะว่าคุณเปิดได้สวยไคเมล่าเออใกได้เวลาที่ข้าต้องกลับแล้วโอ้ใคแต่ว่าคุณช่วยอยู่ต่อสักวันสองวันจะได้ไหมข้าขอร้องละคือผมอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้ถ้าหากว่าคุณไม่รังเกียจละนะ <c oughs> ข้าว่าอีกสักวันสองวันคงไม่เป็นไรเราไปสำรวจป่าด้วยกันก็ดีนะแน่นอน เป็นเกียรติมากเลยที่จะได้ออกไปล่าพร้อมคุณใช่ข้าก็เหมือนกัน